ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังธรรมแผ่นที่ห้าบสโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟังเอ3สแผ่นที่ห้าิบให้คติธรรมว่าศีลเป็นเยี่ยมในโลกคำว่าศีลคำนี้พวกเราได้ฟังแล้วก็เหมือนกับ เป็นของล้าสมัยคำว่าศินแต่ตามให้จริงศินก็คือกฎระเบียบหรือกฎหมายการที่จะอยู่ด้วยกันมากน้อยตั้งแต่สองคนขึ้นไปเราต้องมีกฎกติกาว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนเราจะพบกันที่ไหนอย่างไรเราจะทานอาหารที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือกฎแต่ถ้าว่ามีมากขึ้นมาเราก็ต้องมีกฎกติกา เพราะบางคนก็มีกิเลสราคะโทสะโมหะมีอารมณ์โกรธโมโหโกทาหรือว่ารักใคร่ไปในทางที่ไม่ถูกต้องทางการมั ก, กิเลสอย่างนี้เป็นตน้นเพราะนั้นศีลคือกฎระเบียบจะต้องมีในชุมชนหรือกฎกติกาก็ต้องมีในชุมชนของพวกเราเรีว่าจัดว่าศีลศีลและวินันในหลักของพระพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าตรัสว่า ศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตรถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นท่านให้ความสําคัญเรื่องของศีลศีลเป็นพื้นฐานการอยู่ด้วยกันศีลเป็นพื้นฐานแห่งคุณงามความดีถ้าคนเราไม่มีศีลต่างคนก็ต่างไม่มีศีลอยู่ด้วยกันถ้ามากเข้าเรยก็ยิ่งแสดงอกกับกริยาเหมือนกับสัตว์ป่าเออ ตัวไหนมีกําลังมากก็ต้องลังแกลงแกสัตว์ที่ตัวมีกําลังน้อยมีพวกน้อยอย่างนี้เป็นตน้นเพราะนั้นศิลจึงคุ้มครองสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกมนุษย์ชาติเป็นผู้มนุษย์ชาติเป็นว่าเป็นชาติที่สูงสง่งเป็นชาติที่จะได้รับการแนะนําสั่งสอนรู้ดีรู้ชั่วเย่งกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลก เพราะนั้นควรจะมีกฎกติกาให้รักษาพวกกลุ่มของเราเพราะนั้นสินจึงเป็นเยี่ยมในโลกถ้าคนไม่มีสินจะแล้วโลกทั้งโลกจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรเพราะนั้นออพวกเราก็ควรจะเทิดทูนสินแต่ ว, ว่าสินคำนี้ในหลักของพุทธศาสนาก็คือสินห้าที่พระพุทธเจ้ายกเป็นตัวอย่างยกเป็นเครื่องเชิดชู ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าบุคคลใดข้อตามถ้ามีศีลห้าประจำกายวายจาแล้วคนนั้นจะไม่ตกนรกจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ฉานจะไม่ติดคุกถ้าอยู่ในปัจจุบนันก็ไม่ติดคุกถ้าคนมีศีลห้าถ้าว่าพวกเราไปถามสิคนที่อยู่ในคุกในตารางคุณทําอะไรบ้างเราจะได้รับรู้ว่าล้วนแล้วแต่ เป็นคนที่ผิดศีลห้าเกือบั้งนั้นศีลห้านั่นคืออะไรฆ่ากันจะเป็นฆ่าไหนก็ได้จะว่าฆ่าช้างที่เขาหวงแหนฆ่าวัวกระทิงหรือว่าไปขโมยวัวเข้ามาฆ่าอย่างนี้เป็นต้นหรือฆ่าคนหรือฆ่าอะไรก็ตามเขาว่าฆ่าที่มันผิดกฎหมายมันผิดศริยธรรมด้วยต้งผิดกฎหมายด้วยเขาว่าฆ่านักอาทินนาทาน ขโมยสิ่งของของเข า, ากาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีไม่เคารพสิทธิ์ในสามีภรรยาคนลูกหลานคนอื่นของเขาแล้วเขาก็หกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเดิมสุราจนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างอันนี้แหละคือศินห้าของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดมีศินห้าพระพุทธองค์รับรองว่าไม่ตกนรกไม่ติดคุกมีแต่ไปสู่สวรรค์เท่านั้น รานนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกๆท่านเมื่อได้ยินแล้วก็ขอให้ตั้งตนเป็นคนดีแล้วก็ให้ฟัง MP3 แผ่นที่54ที่ให้คติธรรมว่าศีลเป็นเยี่ยมในโลกเมื่อเราฟังเข้าไปพวกเราก็จะได้ฟังเรื่องศีลที่หลวงพ่อได้อธิบายในศีลธรรมใน MP3 แผ่นนี้ไม่มากก็น้อย ด้วยอำนาจคุณพระษีรัตนารายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปรารถนาสิ่งใดในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ